ข้อที่ยีบสีปัดาบทเหล่านั้นบทว่าสันตังได้แก่สัตว์บุรุษบทว่าอสังได้แก่อสัตบุรุษบทว่าเสวามาโนได้แก่อาจารย์บทว่าเสวามานังได้แก่อันเทวาสิกบทว่าสัมพุโตได้แก่ อาจารย์อันอันเตวาสิกแต่ต้องแล้วสองบทว่าสัมผุดสังปรังได้แก่ผู้อื่นคืออันเตวาสิกผู้แต่ต้องอาจารย์อยู่บทว่าอลิศ ต, ตังความว่าอาจารย์นั้นย่มเปื้อนอันเตวาสิกนั้นผู้อันบาปทมไม่เปื่อนแล้วดุดลูกสอนอันร้าย คืออันกำทราบด้วยยาพิษพรออยติดแร่งสอนอันมิได้เปื้อนฉะนั้นจริงอยู่ผู้คบคนผ่านแม้ไม่ได้ทำกรรมชั่วก็ยอมได้รับการติฉินนินทาว่าผู้คบคนผ่านเพราะเห็นนั้นนกปุ ป, ปกะจึงกล่าวว่าเอวังพาลุปะเสวนาผู้คบนักปราดแม้ไม่สามารถจะเป็นบัณฑิตได้ ก็ยังได้เกียรติคุณว่าผู้คบเพื่อนดีงามเระนั้นนกปุพกาจึงกล่าวว่าเอวังทีรุปรเสวนาบทว่าปัตตปุตัดเสวะคือดุดใบไม้สำหรับหอ่อคันธชาตมีกฤษณาเป็นต้นบทว่าสัมปางกงคือทราบว่าตนอบรมแล้ว ด้วยอำนาจคลุกคลีกับมิตรดีงามบทว่าสันโตความว่าพวกสัมาทิฏฐิย่อมยังพวกสัตว์ที่อาศัยตนให้ถึงสวรรค์อย่างเดียวพระราชาทรงเลื่อมใสในธรรมกถาของนกปุปกะนั้นทรงไหว้ฤาษีทั้งหลายผู้มาแล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายเมื่อจะอนุเคราะห์ข้าพเจ้า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 เรื่องน้องแข็งเต้าในอัธกราแห่งสติกุมพชาดกในวีสตินิบาทจบ